พอถวายพระพรบุคคลใดเป็นผู้ปฏิบัติชอบตามหลักสติปัฏฐานเป็นต้นนั่นแหละก็ย่อมใช้โยนิโสมนัิการเป็นต้นไปตามลําดับจนถึงอบรมมักกระทําปฏิปานให้แจ้งอันเป็นธรรมที่ปราศจากเปลือกตมคือก e ิเลสปีราคะโทสะโมหะมานาทิถิวิจิพิชาหีริการนอตปะเพื่อจะกระทำปฏิป า, านให้แจ้งได้ฉะนั้นเหมือนกันเพิ่งเห็นว่าราบสกาและและชื่อเสียงน่นเหมือนกับเปลือกตม ฐานะที่ถูกยกย่องถูกประดับประดาทั้งหลายนะ่นคือเปลือกตมคือโคลนตมคือน้ําคร่ำคือหลุมคูดให้เห็นอย่างนั้นให้เห็นว่า น, นิพพานปเป็นดุสสถานที่สะอาดปราศจากมลทินปราศจากเปลือกตมหลุมคูดฉะนั้นเหมือนกันเถิดก็แต่ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติชอบย่อมกระทำพระนิพพานในแจ้งนั้นให้แจ้งกะไรเล่า ขอถวาย พ, อพอระพรบุคคลผู้ปฏิบัติชอบย่อมพิจารณาสังขารที่เป็นไปอยู่พิจารณารูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารละขันวิญญาณขันพิจารณาตาหูจมูกลิ้นกายใจพิจารณากายเวทนาจิตธรรมสามฐานะใช่ไหมสามส่วนทั้งที่เป็นภายในทั้งที่เป็นภายนอกและทั้งที่เป็นภายในและภายนอกในสามส่วนนี้แหละ ให้เห็นสังขารเหล่านั้นนะนะที่เป็นไปอยู่ย่อมเห็นอะไรเห็นชาติในสังขารเห็นความเกิดเห็นชะลาในสังขารคือเห็นความแก่เห็นพยาธิในสังขารเห็นมรณะในสังขา น, นั้นพิจารณาดูแล้วไม่มีความสุขในขันในสังขาร ไม่มีความสํารานในขันในสังขารไหลในสังขารนั้นไม่ว่าสังขารที่เป็นไปในเบื้องต้นสังขารที่เป็นไปในท่ามกลางสังขารที่เป็นไปในที่สุดไม่ว่าสังขารที่เป็นไปในอดีตอนาคตปัจจุบันหรือสังขารที่เป็นภายในภายนอกสังขารหยาบสังขารละเอียดสังขารเลวและสังขารประณีตไม่มีเลยฉันบุคคลปฏิบัติชอบนั้นย่อมจะมองไม่เห็นอะไรอะไรที่ควรเข้าไป ถือเอาในสังขาร น, นั้นๆไม่เห็นเลยพิจารณาแล้วเราจะถือเอาได้ยังไงอะไรที่มันความสุขอะไรมันคือความหวังในสังขาร น, นั้นๆเอาสังขารภายนอกที่สมมุติว่าเป็นพ่อแม่พี่น้องปูย่ย่าตายายบุตรภรรยาสามีภรรยาทั้งหลายเนี่ยสังขารเหล่านั้นถามว่ามีความสุขมีความสาําราญมีความน่าเพลิดเพลินในสังขารเหล่านั้นไหม เพรสังขารเหล่านั้นเต็มไปด้วยชาติชาาพยาธิมรณนะเป็นที่ตั้งของความโศ ค, ความล้ำลายลําพันธ์เป็นต้นใช่ไหมฉะนั้นเมื่อพิจารณาแล้วไม่ว่าจะสังขารภายในสังขารภายนอกทั้งสังขารภายในและสังขารภายนอกเป็นต้นทั้งสังขารที่เป็นอดีตและอนาคตปัจจุบันเป็นต้นสังขารเหล่านั้นไม่ควรเข้าไปยึดถือในสังขารเหล่านั้นท่านบอกเปรียบเสมือนเมื่อก้อนเหล็กถูกไฟเผาตลอดทั้งวัน แก้อนเหล็กที่ถูกไฟเผาตลอดทั้งวันจะร้อนจัดลุกโพงบุรุษคนหนึ่งย่อมมองไม่เห็นส่วนที่หน้าเข้าไปจับหรือหน้าเข้าไปถือเลยแม้สักส่วนหนึ่งไม่ว่าตอนต้นของเหล็กนั้นก็ไม่น่าจับไม่น่าถือตรงกลางของเด็อเหล็กนั้นก็ไม่น่าจับต้องไม่น่าถือแม้ปลายของเหล็กนั้นก็ไม่น่าจับต้องไม่น่าถือฉันใดเพราะมันร้อนมันให้ความเจ็บปวดมันให้ความท ร, รมาน บุคคลใดพิจารณาสังขารที่เป็นไปอยู่บุคคลนั้นเมื่อพิจารณาสังขารที่เป็นไปอยู่ก็ย่อมเห็นชาติคือความเกิดเห็นชลาคือความแก่เห็นปยาทีคือความเจ็บไข้เห็นมรณะคือความตายในสังขารแล้วก็เห็นว่าเป็นที่ตั้งของความโศกความล่ําไรลําพันไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วก็ความทับแขนใจก็ไม่เห็นความสุขไม่เห็นความสํารับล้านไหล ในสังขาร น, นั้นไม่ว่าเบื้องต้นท่ามกลางได้ที่สุดชั้นนั้นเหมือนกันบุคคลผู้ปฏิบัติชอบย่อมมองไม่เห็นอะไรอะไรที่ควรเข้าไปถือเอาในสังขาร น, นั้นๆเมื่อบุคคลปฏิบัติชอบนั้นมองไม่เห็นสิ่งที่ควรเข้าไปถือเอาแล้วเนี่ยเขาไม่ยินดีก็ย่อมตั้งขึ้นความไม่ยินดีก็จะตั้งขึ้นในจิตของเขาความเบื่อหน่ายก็จะตั้งอยู่ในจิตของเขา เมื่อความไม่ยินดีความเบื่อหน่ายความเห็นโทษตั้งอยู่ในจิตแล้วความร้อนก็ย่อมก้าวลงในกายเขานั้นเป็นผู้ไม่มีที่ตั้นฐานไม่มีที่พึ่งเป็นผู้หาอะไรอะไรเป็นที่พึ่งไม่ได้เขาก็จะเบื่อหน่ายในสังขารและโลกเบื่อหน่ายในความเป็นสัตว์โลก เบื่อนายในโอกาสะโลกคือพบทั้งหลายที่เป็นที่ตั้งของสังขารนั้นนั้ น, น, นไม่ว่าจะเป็นไปในการมาพบรูปประพบและวรูปประพบเขาไม่เห็นที่พึ่งเขาไม่เห็นที่หลบภัยเขาไม่เห็นที่ซ่อนเล้นว่าเขาจะสามารถไปหลบไปซ่อนได้อย่างไรที่เขาจะพ้นจากความร้ร้อนทั้งหลายเป็นต้น ให้าขอถวายพระพรเปรียบเสมือนบุรุษคนหนึ่งเข้าไปสู่กองไฟใหญ่ที่มีเปลวลูกโพงเขานั้นเป็นผู้ที่ไม่มีที่ต้านทานไม่มีที่พึ่งเป็นผู้ที่หาอะไรอะไรเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องกําจัดภัยไม่ได้ก็พึ่งเบื่อนหน่ายในกองไฟฉันใดขอถวายพระพรเมื่อบุคคลปฏิบัติชอบอยู่มองไม่เห็นสิ่งที่ควรเข้าไปถือ ความไม่ยินดีก็ย่ำตั้งขึ้นในจิตความเล่าร้อนตั้งอยู่ในกายเห็นความเร่าร้อนก้าวลงสู่ในกรัชกายของเขาเขานั้นย่อมเป็นผู้ไม่มีที่ต้านทานไม่มีพิ่พึ่งหาอะไรอะไรเป็นที่พึ่งไม่ได้ไม่มีเครื่องกําจัดไฟในขณะนั้นก็เบื่อหน่ายในสังขารเบื่อหน่ายในสัตว์เบื่อหน่ายในโลกในภาชนะโลกไม่ว่าพบในไหนก็เบื่อหน่ายอย่างนั้น บุคคลผู้มีปกติเห็นภายในสังขารที่เป็นไปอย่างนั้นก็ย่อมเกิดความคิดว่าสังขารที่เป็นไปเนี้ยร้อนแผดเผารูปพงมีทุกมากมีความขับแค้นมากมีความน่าเอือมละอหนอถ้าหากว่าใครๆจะพึงได้ทำอันหาสังขารนี้ได้ถ้าใครนะี่ยที่สามารถแสวงหาทำที่ไม่ได้ไม่มีสังขาร ไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่นะถ้าใครสแสวงหาได้หรือใครค้นหาธรรมเหล่านี้ได้ซึ่งเป็นธรรมที่ประนีตระไซทำอันหาสังขารเป็นไปไม่ได้นี้ก็ต้องได้แก่ธรรมอันเป็นที่สงบสังขารทั้งปวงธรรมเหล่านั้นต้องเป็นธรรมที่สลัดอุปธิสลัดขนันทูปธิอุปธิคือขนัน อภิสังขารูรปธิอภิสังขารคือเจตนากรรมกามูปธิสลัดกามคือวัตถุกามกิเลสูปธิอุปธิคือกิเลสเห็นไมก็ต้องสลัดอุปธิต่างๆเหล่านี้ได้แน่แท้ต้องเป็นที่สิ้นตัณหาแน่นอนเป็นที่สำรอกราคะเป็นที่ดับตัณหานั่นแหละเป็นนิพพานเป็นอนุบาตาริบัต เป็นไปอย่างนี้จิตของเขาจะแล่นไปเลื่อมใสบันเทิงย่อมยินดีในธรรมัญหาสังขารมิได้ว่าเราได้นิสรณะธรรมธรรมที่แล่นไปออกจากทุกข์แล้วหนอดังนี้ทว่าจิตเขาจะน้อมหานิสรณะวิเวกเป็นอัจฉริยะถึงแม้ว่าตอนนั้นเขายังไม่มีนิพพานเป็นอารมณนะ์เขาน้อมออกแนนอเพราะเขาปฏิบัติชอบเปรียบเสมือนบุรุษคนหนึ่งหลงทางดิ่งไปในทางที่ผิดพอพบทางออกเข้า ก็แล่นตรงเลยไปบันเทิงยินดีเลยในสังสารวัตที่ยาวนานเนี่ยแล่นไปสู่ทางที่ผิดอยู่ยาวนานนะถ้าเจอทางถูกเมื่อไหร่เนี่ยเราจะบันเทิงเราจะยินดีเราจะชื่นใจแล้วตอนนี้อ่ะพระบรมศาสดาผู้บอกทางก็มีอยู่ทางนั้นก็มีอยู่ใช่ไหมทําไมไม่ศึกษาทางนี้ให้ดีศึกษาทางนี้ให้ชัดแล้วก็จะได้เกิดความบันเทิงยินดีว่าจะเดินออกสุดสังขาร หรือจากการที่อยู่ในสังขารมาอย่างยาวนานในสังสารวัตรกลายเป็นผู้ติดสังขารไปซะแล้วไม่อยากออกซะแล้วต้องถามใจดิทีนไม่อยากออกหรือเปล่านี่ไม่อยากออกซะแล้ว อ, าาจจอยากออกหรือเปออล่า แ ต, แต่ชวนสังขารสักสังขารไปด้วยไอ้ตรงนี้เนี่ยงงสังขารนยนะฉะนั้นตรงนี้บอกว่าเปรียบเสมือนว่าบุุษคนหนึ่งนะหลงทางในงที่ได้กลับถ้าเจอทางที่ถูกเจอทางออกก็ก็ยินดีจิตของบุคคลผู้มีปกติตีเห็นภัยในสังขารที่เป็นไปอยู่ก็แล่งย่อมเรื่อใสบันเทิง ในธรรมที่สงบระงับสังขารได้ว่าเราได้นิสธรด้นิสธรรมดังนี้แล้วฉะนั้นเหมือนกันฉะนั้นผู้ปฏิบัติชอบย่อมพยายามแสวงหาย่อมเจริญกระทำไม่มากซึ่งมัคคปฏิปทาคือปฏิปทาเพื่อประโยชน์แก่ธรรมอันหาสังขารไม่ได้นั้นปฏิปทานี่นคือข้อปฏิบัติเพื่อจะออกจากสังขารเพื่อจะออกจากตาหูจมูกเล่นายใจ ฉะนั้นมารเขาปฏิบัติธรรมยัเป็นธรรมที่สงบระงับสังขารสติของเขาก็ตั้งอยู่เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์แก่วิริยะวิริยะย่อมตั้งอยู่เพื่อประโยชน์แก่ปีติปิติก็ตั้งอยู่เพื่อประโยชน์จิตของเขาผู้ทําให้ให้ทําไว้ในใจโดยถูกทางย่อมก้าวล่วงสังขารที่เป็นไปก้าวล่วงสู่ธรรมปัญหาสังขารไม่ได้ ขอถวายพระพรบัติเจิมกล่าวถึงบุคคลผู้ปฏิบัติชอบผู้บรรลุธรรมอันหาสังการไม่ได้ตามลําดับแล้วกระทาปฏิบัติในแจ้งพอกล่าวอย่างนี้ไปเสร็จพยามิเรนท์นดีจีนพระคุณเจ้าน่าเกษมข้าพเจ้าขอยอมรับคาตามที่ท่านกล่าวมแล้วดีพอพิจารณาดูแล้วแหมข้าพเจ้าก็เบื่อสังสารเลยเนินนอนเบื่อเลยแต่ก่อนหลงยินดีในสังการพอได้ยินพระคุณเจ้ากล่าวนี้บอกนิพพานเนี่ยเป็นธรรมที่ สงบจากสังขารทั้งปวงนิพพานไม่มีอดีตนิพพานมิได้เป็นไปโดยเนื่องกับโดยมิได้เป็นไปเนื่องด้วยปัจจัยเท่านั้นต้องมหมายความบอกว่าไม่มีปัจจัยใดๆจะทําให้นิพพานนั้นเกิดขึ้นการทําั้นนิพพานที่เกิดขึ้นแล้วให้แจ้งหรื อ, อยงเป็นต้นบอกการทำปั้นนิพพานที่เกิดขึ้นเองอยู่แล้วให้แจ้งหรืออย่างไรทํานิพพานที่ยัง ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นเลยก่อนแล้วก็ถึง ท, ทาให้แจ้งบุคคลใดปฏิบัติชอบบุคคลนั้นย่อมใช้โยนิสมนัสการเป็นต้นบุคคลใดปฏิบัติชอบบุคคลนั้นย่อมใช้โยนิสมนัสการในการปฏิบัติเพราะเหตุท bon ีคค่ปฏิบัติโดยมีโยนิสมนัสการเป็นต้นเหล่านี้ก็จะเป็นปัจจัยเก่การดับไฟสามกองคือราคะโทสะโมหะเป็นต้นเหล่านั้นได้ท่านก็กล่าวไว้ดีแล้วทีนี้ถ้ามาพิจารณาอย่างนี้เราก็จะเห็นว่า ที่จริงมันมีหลายสูตรหลายตอนที่ท่านกล่าวเอาไว้ในเรื่องเหล่านี้นะแต่ต้องการจะชี้หรือยกให้เราทั้งหลายได้เห็นและได้เกิดความเข้าใจว่านี่ไงบ่มเพาะอินทรีย์แล้วเนี่ยนะเพราะอินทรีย์แข็งแรงแล้วก็จะเนี่ยดับสังขารแล้วก็จะเห็นประโยชน์ของพระนิพพานอย่างนี้ฉะนั้นถ้าหากว่าเข้าใจพระนิพพานอย่างนี้เป็นตามที่สงบรงับดับสังขารอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าทําไมต้อง ปราถนานพระนิพพานพระทหารดศาวโลกพระปเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านดึงหมายปราถนานพระนิพพานเพราะท่านเห็นใช่ไหมเพราะท่านเป็นคนตาดีอ่ะตาดีเราก็ต้องถ้าตาเรายังไม่เคยชัดก็พยายามล้างตาด่มนที่จบได้ยัง ก็กล้จะจบแล้วนะอินซีเนี่ยนะทีนี้อินซีทั้งหลายเนี่ยการที่กำหนดรอบรู้ทุกสัตว์เป็นต้นเหล่านี้ดังที่ได้กล่าวนี่แหละก็ใช้ศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาโดยเฉพาะสติเนี่ยนะก็เป็นใครควรมีพิจารณาทุกสัตว์จักสำหรับบุรุชนเนี่ยนะการรู้สัจจสีประการนะั่ เป็นอนุโพธิทัคือญาณทั้งก็หมายความว่าเป็นคอยตามพาะรยาเจ้าเป็นปฏิเวทเป็นปฏิเวทยาญก็เราก็เป็นอนุโพธิญาณใช่ไหมที่จะไปเห็นพระนิพพานเนะี่ยเรายังไม่เห็นแต่ให้เป็นอนุโพธิญาณในการที่คลอยตามโอนไปเอียงไปโน้มไปดัดจิตไปหาพระนิพพาน เวลามันจะมาทางการมาคุณก็อย่าไปนั่นเน่ยดัดกลับดัดกลับบ่อยบ่อยเข้าใจไหมเวลาจะน้อมก็ไปหาพวกสังขารทั้งหลายก็น้อมจิตออกจากสังขารน้อมจิตออกจากสังขารเอ๊ะทำไมมันไม่ค่อยเห็นโทษของสังขารวิจัยสังขารน้อยไปเออวิจัยสังขารน้อยไปเอ้าเราอยู่กับสังขารมาทั้งงานทําไมไม่วิจัยล่ะก็เราตาบอดใช่ไหมเราไม่เห็นสังขารเป็นโทษ เราไม่เห็นภัยของสังขารไม่เห็นโทษของสังขารไม่เห็นความน่าอิระอาใจของสังขารเออเราไม่เคยไปนั่งวิจัยใคร้ควรพิจนารณาเลยเนี่ยจิตมันจะน้อมออกจากสังขารได้ยังไงมันก็งอติดงัดอยู่กับสังขารอะไรตัวเนี้ยใช่ไหมไ อ, อ้ขนไก่เนี่ยเวลามันถูกไฟมันงอหนีมันงอออกใช่ไหมลองเอาไปรดน้ไปดูติขนไก่เนี่ยปีดไก่ทั้งหลายที่มีขนเนี่เนี่ย เอาไปรนไฟพบมันงอฟุดกลับมาอ่างี้ม่งอเข้าหาไฟหรอกสติสัมปชัญญะสทาวิริยสติสมาธิปัญญาพอวิจัยวิจัยนี่ยมันไม่งอเข้าไปหาสังขารมันงอออกจากสังขารเหมือนปีไก่ขนไก่เนี่นแหละแต่เวลาราคาตัวศาสโมหาเป็นต้นหรือกลุ่มกิเลสทั้งหลายนมันงอเข้ายิ่งอยู่กับสังขารก็ ง, งอเข้าหาสังขารเสังขานี้หมดไปกล็น้อมหาสังขารใหม่ สังขารนี้หมดไปก็น้อมหาสังขารใหม่คุยหาสังขารในอดีตและอนาคตเั็นอยู่นี่แหละลำพึงอะลายวรสังขารที่เป็นอดีตคุยหาสังขารที่เป็นอนาคตหลงติดอยู่ในสังขารที่เป็นปัจจุบันมีกิจพวกมันมีแค่เนี้ยแล้วเมื่อสังขารอหล่านี้หมดไปแล้วก็น้อมหาสังขารในอนาคตต่อไปก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละในสัมสารวัตรแล้วมันเคยจะดัดออกไหแล้วไม่ดัดออกถ้าไม่เพิ่มศรัทธาวิริยาสติสมาธิลงไปในสังขารเหล่านั้นแล้วเนี่ย มันจะมันจะออกจากสัง้านได้ยังไงความคิดมันก็จะน้อมออกไม่ได้ท่านก็พยายามดัด บ, บ่อยๆตอนนี้มันโอ้โหต้องใช้แรงอย่างมากมันไม่ใช่ใช้ศรัทธาธรรมดามจะน้อมออกได้ที่ไหนแล้วก็มันติดมาอย่างขนาดหนักในสัมสารวัตรยาวนานเนะก็คิดดูพอเสียงนี่สะดุ้งเลยนะเพอได้ยินเสียงสังขารเหล่านี้เรียกอ่ะใช่ไหมสะดุ้งไหมเพอได้ยินเสียงขานเหล่านี้เรียกสะดุ้งเลยไหมตกใจเลยไหม ต่อลองจจละวันเลยขับรถจะตกถนนกันเลยแม่จะจอดดูอย่าว่าแม่อย่างนั้นทีลูกปเป็นไหมละ่ะใช่ไหมบอกโอ้โหมันทานมากเพราะว่ามันมันมันออกยากมันออกยากอันนี้ขนาดบาบานนเบาๆเนียเบื้องต้นก็ยอย่างที่เดีย๋ยวเราโหาจะมาหน่อยมาทำาปินหลา น, นไปเล่นอะไรพ้อแขนทำท่าหักหน่อยโอ้โหมาไม่ได้เลย มาไม่ได้ซะแล้วก็บอกว่าเพราะเพราะสังขารเรียกเรีย่ยกไปนะเนีย่ยหักแล้่อยู่ไหมเนี่ยไปไม่ได้แขนหักซะแล้วก็เลยมาไม่ได้โอ้โหซะเลยไปไม่ไดเ้เอาไว้ก่อนเห็นไหมการฝึกขัดเกลาเอาไว้ก่อนแล้วก็หมดโอกาสในสังสารวัตเป็นแบบนี้แหละที่มันท้นทุกข์ไม่ได้ก็เพราะไอ้ข้อมูลเพราะไอ หลักตอเหล่านี้นี่แหละพราะขวาน้ําเหล่านี้นี่แหละพราะดงของดงของรกชัดเหล่านี้แหละที่เราสา่งไม่ได้มันออกไม่ได้ น, นี่บททดสอบเล็กๆมันใหญ่โตอะไรเนี่ยใช่ไหมอันนี้เราจะได้เห็นไงจะได้เห็นว่าถ้าถ้าจะออกจริงๆเนี่ยมันจะหนักคนนี้น้าเข้าน้าเข้าเขาจะมาประกาศเลยคุณเอาอยัางไง ขนาดนั้นเลยประกาศเลยตกลงนี่จะเอาไงตกลงคุณจะไปยอย่างนี้ตลอดจะไม่ชีวิตของคุณจะไม่ทํางานเลยใช่ไหมเอาอะไรตัวเนี้ยมันจะมีข้ออะไรออกมาเหลงแหลงกันนั่นแหละคือเหตุผลของปัญหาของทิฏฐิในสุดจริงแล้วโอโ้ไม่ได้แล้วเราต้องมีชีวิตเราต้องอยู่มันก็จะเป็ี่นของมันไปอย่างนี้ในข้ามันก็เป็นนั่งยิม้ม แต่หนาออกเขากระแทกเบาๆแค่นี้ยเรียบร้อยขอเข้าใจใช่ไหมมันยังมีวิธีอีกเยอะความแยบยลอีกเยอะมากที่เราท่านทั้งหลายเคยจมปักอยู่ในสังขารนี้ยังมากเป็นอย่างา <c ười> นัง้นเขาเรียกว่า บ, บ, บทบททดสอบอยังนะและเราจะเจอหนักไปเรื่อยๆถ้าคิดจะออกเอี่ยงเขาเขาจะมีข้อมูลให้เยอะ แนเข้าเนี้ยนเข้ามันเล่นภายนอกไม่ได้มันจะเล่นภายในมันจะเริ่มเด่นคุณเดินไม่ไหวมันจะเล่นกับคุณขนาดนีแล้วตาคุณก็แย่หูคุณก็อย่างนี้นะงั้นคุณอย่างทําเลยมันไม่ไหวแล้วเห็นไหมในนี้ส่วนจริงมันล็อกตัวเราเลยแล้วก็ออกไม่ได้แล้วก็ยอนจำนนกันไปแล้วก็ตายแล้วก็กอดสมถะก็ยู่งอย่างนี้ในสังสารวัตรมันเรื่องเก่ามันเล่าใหม่หมดเลยเนี้ยเนี่ยเรื่องที่มานั่งเล่าเนี้ย ถ้าเราเลิกระดีได้แล้วจะนั่งโอ้แล้วจะไปนั่งสารภาพเหมือนกับภิกษุณีบางท่านท่านเกิดชุงสู ง, สงต่ำตำ่มาแล้วสิบสามอัตภาพบางข่าวเกิดเป็นราชาบางข่าวเกิดเป็นพรหมบางข่าวเกิดเป็นอบัยศัตร์บางข่าวเกิดเป็นหนอนอยู่ในซุ้มหน้าอันเนตอนหนักนะหน้าอนเนตอนนะักนักมันเป็นอย่างไง ถ้าจะให้กลับไปอีกเอาไม่ไดนะ้ไม่เอาแล้วพาอนางบรรูุแล้วปรินิพานแล้วนางก็มาเล่าให้ฟังว่า น, นี่เนี่ยอุปสรรคที่นางผ่านและเจอไม่ง่ายไปพรมแล้วก็กระชากกลับลงมาเป็นนอนได้เห็นไหมกระชากมาเกิดเป็นแม่ไก่ได้มาเป็นลูกหมูได้ด้วยสิเนะี่ยมันเป็นอย่างนี้เลย สิ่งที่เราเห็นคือสิ่งที่เราเคยเป็นโอเคนะมสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายที่เคยเห็นคือเราเคยเป็นทั้งนั้นทําไมเราไม่เราถึงผูกพันกันเราถึงรักมันมากถ้าไม่มีปัจจัยเกื้อหนุนเกันก็สิ่งที่เราเคยเป็นนั่นแหละเขาเห็นโทษกันทั้งนั้นแหละจริงๆแล้วเขาเห็นโทษเขาเห็นภัยกันทั้งนั้นเขาจะไม่นั่นคือโทษของกรรันการนั่นคือภัยของกันการ จริงภารยาทั้งหลายคนที่จะเป็นภารยะทั้งหลายท่านวิจัยสึ่งเหล่านี้นะแต่ปริมาณเขาวิจัยแบบเนี้ยแต่ปริมาณการวิจัยเขาต่อเนื่องและบ่อยเพราะพวกเรามันไม่ค่อยต่อเนื่องแล้วขาดการบ่อยขาดเอาไปขาดเอาไปนั่งวิจัยกันคือของจริงไม่ใช่วิจัยกันใช่ไหมอันนี้เป็นของจริง ท่านก็เลยบอกว่าขันของผู้ที่ไม่มีการเจริญยินศรีห้าก็เหมือนกันกับบ้านเมืองที่ไม่มีพระราชามีพระราชาฉะนั้นคนที่ไม่เจริญศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเหมือนกับบ้านเมืองที่ไม่มีพระราชาคือย่อมเป็นเหมือนกับปัน่นบ้านป่ามึงเถอนนะ่นนะ ที่ไม่มีผู้ปกครองสับสนวุ่นวายฉะนั้นประเทศชาติที่ไม่มีพระราชาหรือไม่มีผู้นําหรือผู้นําไม่มีศิทธิธรรมก็ทำอะไรไปตามลําพังลําพังของใช่ไหมไม่มีคนบัตรกฎหมายไม่มีความเป็นธรรมแรงดังนี้ก็เลยแตกกว่ากันไปเถอะบุคคลที่ไม่ได้เจริญสิ่สมาไม่เจริญรสตาวิทยาสติสมาธิปัญญาเนี่ยก็ลองคิดดูดิจิตใจของเขา จะละสําละสายขาดกฎขาดกติากขากขน า, าดไหนที่เป็นไ่อยู่นี่แหละจะคิดป่ารบรูปาลมจัตตารลมงันนาลมบวชดาลมธรรมารลมใบในใบนอกมันไปอย่างเบาๆวุ่น ว, ว า, ย า, า, ายไปเนี่ยนนะสับซ้อนวุ่นวายแล้วแต่ว่าจิตจะสั่ง แล้วว่าจิตจะคิดป่าลบอะไรก็ไปกันถามมาแล้วอยากจะไปใช่ไหมอยากจะดา่าอยากจะว่าอยากจะชมอยากจะดูอยากจะพูดอยากจะร้องลําทําเพลงอยากจะไปเดินอยากไปอะไรต่างมันสับสนไปหมดแหละเนี่ยประเทศเนี้ยมันเป็นประเทศที่ไม่มีพระราชาปะบุครองซะแล้ว เป็นประเทศที่ไม่มีพระราชาปกครองมไม่รู้จะคอนโทรลกันยังไงแล้วมันสับสนวุ่นวายไปหมดแล้วเป็นงั้นจริงไหมมันสับสนไปหมดแล้วเนี่ยไม่รู้จะมันจะไปของมันยังไงแล้วเนี่ยวันนี้ดูทําทีทําท่ามาทําดีทําท่าจะมาเออจะมีการเรียกกันประชุมคัดเลือกพระราชาขึ้นมาปกครองนังนักเข้าจะไม่เอาสิค่ะต่อมาบอกจะไม่เอาแล้วต่อไปโ อ, โอ้ไม่เอาแล้ว ถ้าท่านมาปกครองแล้วมีกติกายุ่งเพราะไม่เคยอยู่อย่างมีกติกามาตั้งนานแล้วอย่างนีมันเป็นความส่งเข้าไปซะแล้วอะ่ะการไม่มีกติกาการอยู่อย่างวุ่นวายอะ่ะอยากจะโกรธก็โกรธอยากจะโลภก็โลภอยากจะหลงก็หลงใช่ไหมโทสะอิสาเมชเดียวกูกูจะโมหะ ห, หินิการโนตระปาอุทะจา่าโลพาทิถีมานะถีนามิธาอุทะจา่าวิจิกิจารอะไรเงี้ยคือมันอยากจะทำอะไรก็ทําไปสึกยังไเนีย่ยมันนั้ มันสบายใหญ่ของมันน่ะมันล่าเริงมันน่ะแต่ถ้ามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิมันไม่ได้นะไม่ใชโลบไม่ได้ไม่ได้ลดลดหลุดันจะโกรธได้ไม่ได้ไม่ได้ลดลดลดลดเห็นมมันไม่เอาเนี่ยมันเอาไม่เอาพระาวพกนักเลงทั้งหลายเนี่ยจะให้มีคนปกครองแบบมีมีธรบรราชามันไม่อําตอนนี้ก็เหมือนการประเทศเนี้ยฉะนั้นตอนนี้อย่าเพิ่งไปประจัดการกับประเทศอื่นจัดการประเทศนี้ก่อน ขันเนี่ยจาัด ก, การกับโลกใบนี้ก่อนเพราะโลกใบนี้ยังไม่มีเวลาชาปกครองจะมีพวกเวลาชาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิปกครองอยู่ใช่ไหมมีโมหะปกครองอยู่เนี่ยและตอนนี้เราทําดีทำท่าที่จะจัดการออกไปแล้วก็ต้องการจะเอาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามาปกครองเนี่ยโอ้มันไม่ยอมกันตอนนี้มันท้วงมันเป็นแถวเลยเนี่ยเลยท้วงแล้ว อสังขานภายในก็ประท้วงสังขารภายนอกก็ประท้วงเข้าใจไหมเนี่ยสังขานภายในก็นเนี้ยมีตัวของเราเองประทวงเนาะสังขานภาย น, นอกคนอื่นก็โอ้จะเกินไปได้ไี่ฟังทำอะไรกันขนาดนะั้นเราประท้วงเข้าใจยังเข้าใจใช่ไหมมีมีประท้วงไหมือประทวงเลยอ๋อ มันปะท้วงกันเป็นแถวเป็นแถเพราะว่าประเทศเนี่ยใช่ไหมมันในแต่ละประเทศเนี่ยมันมีพระราชาเออมันมันมันมีประชากรเยอะแยะหมดทั้แต่ละประเทศถ้าประเทศนี้จะสงบเนี่ยประเทศอื่นมันจะเริ่มส่งคนเข้ามาทําให้แตกแยกทางนั้นมันจะปกครองยากประเทศที่สงบแล้วมันสามัคคีกันเมื่อไรเนี่ยนั้นอุบายที่ประเทศที่ต้องการอยากจะเป็นใหญ่ทั้งหลายเนี่ยใช่ไหม มันมีประเทศที่อยากเป็นใหญ่นะมันจะมีบายวิธีในการที่ส่งคนมันมาใส่หว้ใส่หวยใส่หวยแล้วก็สร้างความแตกแยกในประเทศสร้างความสับสนวุ่นวายในประเทศเห็นไหมเอาจุดเวียด น, นามเหนือมันก็มา น, นั่นให้เป็นเวียด น, นามเหนือเวียด น, นามใต้แล้วเกาหลีมันก็ทาําให้มีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เห็นไหมนั่นคือประเทศในมองเปียดเที่ยวทีในขันนี้ก็เหมือนกันแหละ ม, มันก็จะก็จะทําแบ่งแยกเนี่ย คือถ้าจะทําให้เป็นกุศลอย่างเดียวนมันไม่ยอมหรอกมันใช้อกุศลอยู่ด้วยมันยังต่อสู้ก็ไม่นยังวุ่นวายนี่มันเป็นนโยบายของอวิชชาเขา <c oughs> เขาจะยังเขาย่อนสังขารลงมาวิญญาณนามรูปตรไรยะตะนาลงมาแล้วเขาเอาตันหาวิชาตันหาอุปท า, านมาลมาให้มันเป็นนโยบายของเขานโยบายของผู้ปกครองโลกเราถูก หย่อนมาอย่างยาวนานแล้วท <leer> ี่เราจัดการนีไยจะทําให้หลองไป็นอันเดียวกันแล้วก็ให้เป็นกุศลอย่างเดียวและในส่วนจริงเป็นกิยรติจิตและปรินิพานเสียนเนี้ยมันจะสงบกป็นสักทีมันวุ่นวายมานานแล้ประเทศนี้มันไม่มีธรรมราชาปกครองมายาวนานแล้วเนี่ยถ้าพูดเป็นปุคลาที่ฐานนี้พอเข้าใจเห็นถ้าทำมาที่ฐานเลยยังไม่เข้าใจก็เลยอุปมา พูดน่าจะทําได้ใช่ไหมอย่างนี้เราก็เริ่มมองได้เราก็เริ่มมองอะไรชัดขึ้นใช่ไหมถ้ามองพูดมองเห็นได้คักท่าน น, น้องเป็นเย่านี้จริงๆนะในโลกใบนี้ก็เป็นอย่างเนี้ยก็ดูตอนลังกาสีลังกาเองเอาทมินมาหย่อนกันไว้อังกฤษกวูจะออกไปโหตายอะไรตันี้ล็อกกันดึงด๋งๆใช่ไหมดูในป่านี่นะก็ยังล็อกกันบุบู บ, บ, บูกระพบ ก, กระบุญกบเฏทั้งหลายก็ดอูอินเดียอังกฤษปกครองดูดี มันก็อิสราเอมิย่อนก่อนโลกกันแถวแคชเมียร์เลยแถวอะไรดูทีอุปสรรประเทศที่ไม่เคยหวังดีทั้งหลายเนี่ยนะอันนี้ก็เหมือนกันมองโลกภายนอกมันกว้างแต่มื่โลกภายในเนี่ยมันก็วุ่นวายอยู่เนี่ยแล้วเราจัดการยังไงเนี่ยให้มันสงบเนี่ยใช่ไหมแล้วก็มองอะไรมาให้มันสงบถ้าเรา แล้วอ่านไม่ออกเนี่ยนะแล้วอ่านอ่านเกมของกิเลสปัญหาไม่ออกที่อ่จารย์นองต้องใช้ปัญญาไปอ่านเีรก็มันทําอะไรกันอยู่นั่งมองมันดูที่มันกาลังทําอะไรกันอยู่มันปั่นป่วนไม่หมดแล้วเนี่ยใช่ไหมกำลังทำอะไรกันมาอยู่ให้ภายในก็ใช่ไหมท่าสึกกระตูมตุ้มไห้ภายนอกก็เล่นอยู่ภายในนั่นยิงไิ่งไหวเนี่ยจัดการภายในยังไงใช่ไหมภายนอกก็ป้องกัน เป็นฆราวาสไม่ไง่ายนะปฏิบัติธรรมไม่ไง่ายต่อภายนอกเขาต้องให้สงบใช่ไหมพอสมควรและในขณะเดียวกันต้องจัดการภายในสําคัญที่สุดที่ภายนอกเขาดีอยู่แล้วเดี๋ยวภายในตองเราเป็น่นป่งนกับเขาเองก็ต้องระวังกันเลยกต็ต้องไปดูนี่ก็ถึงอุปมาอย่างกิเลสทั้งหลายกุ่มรุมนะไม่เป็นอิสระหรอกจิตสันดานของบุคคลที่ไม่เจริญศรัทธาวิริยสติสมาธินั้นนะ่ะก็อย่างนั้นแหละ ก็ย่อมหมดวันหมดเดือนหมดปีไปเปล่าๆกิเลสทั้งหลายก็ก้มรุมไม่ได้รับอิสระถ้ามีใครมากล่าวนะในเรื่องของสันโดษกระถาคำพูดใ้เรื่องสันโดษมากล่าวในเรื่องของวิิญาลาาังพากถานะพูดในเรื่องปารบความเพียรแล้วก็พูดอะไรกัน พูดเรื่องสันโดษเอ่ยพูดเรื่องปาราลบความเพียรพูดเรื่องการไม่ละคนด้วยมูพูดเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องวิมุติเรื่องวิมุตติญาณทัศนะโอ้โหถามว่าประเทศที่มันไม่ได้ดูแลมันปวดหูแสบหูมันปวดหูแสบหูหบหที่ไอ้มาพูดเรนก่อนนะี่ะเหมือนกับผีดิบเหมือนกับพีกระซือขมโน ถ้ายิ่งมาสวดอิติปิโสพกวาระังสมัสสมมาสัมพุโตเหตุปัจยจโยระมณะปัจจโย อ, อยู่ใกล้ๆเลยแล้วนี่โอ้โหเขาไม่เป็นที่ต้องการเลยเขาจะรีบพูดปลีดนั่นออกมาอย่างรวดเร็วเลยไม่มีฉันทะที่ต้องการจะปฏิบัติสมถะและวิปัสนาเลยนั่นแหละก็ขันของบุคคลที่ไม่ได้อบรมอินทรีย์เป็นอย่างนั้นแหละ ไม่ได้เจริญสัตยินทรศีลวิญยินศีลสตินทรสมาธินศีลปัญญินศีนนี่นะอย่าไปสวดอิทธิพิโสให้าไดยินและขันของเราก็เหมือนกันนะอย่าไปสวดนะเวลานั้นนะ่ะหมุนวุ่นวายไม่อยากได้ยินรอกแสบหูแล้วนะพูดเรื่องทานศีลภาวนานก็ไม่ได้พูดเรื่องอุสันโดดมากน้อยแม้ละคนได้หมูพูดเรื่องศีลสมาธิปัญญาวิมุตติิมุติยานัสนาบุคคลฟังไม่ได้เลยอาจารย์ไม่ต้องไปพูดให้ลูกฟังโดยเดียวอะไรไม่ไมพูดเนี่ย อะไรมาพูดดีงคนเรื่องเลยเพราะประเทศเขาไม่ไม่มีอินทรีย์ปกครองไม่มีพระราชาประเทศเขาไม่มีอะไรเป็นบ้านป่ามืองถึงขันของเข า, เ ป, า, า, เ, ขาเป็นอย่างนั้นไม่ว่าก็ไม่ได้แต่จริงๆเป็นอย่างนั้นไหมล่ะแล้วลองไปไปนั่งอบรมอเจริญสมาธิกรมธานิปัสสนากรรมธา น, ม, น, ารร ม, านมองตาเราเลยเพราอะไรใช่ไหมเ ข, า ย, มแแ ข, า, า, ขายังไม่แก่ก็ราะงั้นก็ยังไม่แก่กบยังไม่ถึงเวลาเขา เขายังอยู่อีกนานเขาไม่เหมือนแม่นี่ไม่มีที่ไปแล้วเลยเขาว่าส่งเลยดิฉันด้วยนี่เขาจะมองอย่างนั้นเข้าใจใไหมั้งไม่เข้าใจชีวิตก็เหมืนหนหอนในเด็กที่เราไม่เข้าใจนั่นแหละส่วนขันบุคคลที่เจริญศรัทธาวิทยาสติสมาธิเป็นบ้านเมืองที่มีพระราชาปกครองเป็นเหมือนกับบ้านเมืองในเขตของมัชชิมะประเทศมัธยมประเทศที่ปกครองย่อมไม่มีความโลเลในคําพูดต่างๆเขาก็จะตั้งใจในการที่จะเจริญพุทรกุลธรรมคุณสังกุลใช่ไหม น้อมใจในการที่จะฟังในเรื่องของทานศีลภาวนาในเรื่องของสันโดษในเรื่องของวิทยาลัมพากในเรื่องของการไม่ละคนได้หมูป่ปลาลดความเพียนพูดเรื่องศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติวิมุตติอยางนั้นเขาชื่นโหนชื่นใจแล้วก็ตั้งฉันทะน้อมใจในการที่จะปฏิบัติสมถวิปัสสนากันอย่างเอาจริงเอาจังนี่นะละนักษณะก็จะเป็นแบบเนี้ยเท้ามาก็จะเป็นลักษณะเ น, นี้ย ฉะนั้นการเกิดขึ้นของจิตที่มีกําลังของฉันศรัทธาวิริยสติสมาธิเนี่ยจึงเป็นความสําคัญมากๆเนีจยจเป็นความสําคัญมากๆเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับการที่จะพ่อคูในการได้วยเจริญอินทรีย์ถ้าไม่เจริญอินรีย์ทั้งห้าเป็นต้นเหล่านี้แล้วเนี่ยในที่สุดจริงๆนั้นจิตก็จะวงกลับไปหาการมคุณเป็นต้นเหล่านี้แต่ถ้าเจริญอินรีย์เป็นต้นนี้จิตก็จะท่าออกจากกรมคุณในสุดจริงๆี่จะเป็นปัจจัยแก่กาง บรรลุเป็นปัจจัยการหลุดพ้นเป็นตน้นอันนี้คงน่าจะจบด้วยนะอินเซียนี่นะไม่จบได้ไงในเวลาเห็น <c oughs> <c oughs> ไหม